ในการผสมเทียมในหลอดแก้วใช้ไข่ที่ละหลายใบประมาณ50ฟองซึ่งใช้จากการใช้ยาฮอร์โมนกระตุ้นให้มีการตกไขท่ทีละหลายหลายฟองผสมกับเชื้อในหลอดแก้วแล้วเก็บในตู้อบซึ่งมีการควบคุมปัจจัยต่างๆให้ใกล้เคียงกับสภาพในมดลูกตามธรรมชาติหลังจากนั้น18ชั่วโมงจะมีการรวมตัวกันของไข่และเชื้ออสุจิเป็นเซลล์เดียวมีสองนิวเคลียส จากพ่อหนึ่งและจากแม่หนึ่งซึ่งเจรวมเป็นนิวเคลียสเดียวในเวลา 22-24 ถึงชั่วโมงและจะแบ่งเป็น 2, 4, 8, 16, 32เซลล์ต่อไปในเวลา 5-6 วันถ้าเป็นในธรรมชาติจะมีการเคลื่อนตัวของตัวอ่อนนี้มาที่มดลูกและมีการฝังตัวที่ผนังมดลูกในวันที่7อยากจะถามว่าตอนไหนที่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตคือช่วง18ชั่วโมง เมื่อเซลล์ของพ่อและแม่รวมกันหรือตอน22ถึง24ชั่วโมงเมื่อนิวเคลียสจากเซลล์ของพ่อและแม่รวมกันเป็นวันเซลล์ไซโกดตอนนี้หรือเปล่าที่ปฏิสนธิวิญญาณเข้ามารวมด้วยจุดนี้ท่านพูดไว้เพียงเท่าที่อาตมาเอามาเล่าข้างต้นนี้แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากวิจารกันอาตมาไม่ใช่ผู้ตัดสินแน่นอน เราเอาหลักมาพูดกันว่าปฐมจิตนั้นเอาตามที่ท่านว่าชื่อว่ามนุสสวิคาหังนั้นตั้งแต่จิตอันเป็นปฐมคือวิญญาณแรกปรากฏขึ้นในคันมานดาและอธิบายต่อไปว่าปฐมจิตนั้นพร้อมด้วยอรูปประคันทั้งสามที่ประกอบพร้อมกับปฐมมจิตนั้นกับทั้งกาลละรูปที่เกิดพร้อมกับปฐมจิต ท่านไม่ได้บอกละเอียดชี้เฉพาะลงไปว่าจุดเริ่มการละละรูปนั้นอยู่ตรงไหนท่านเพียงแต่ให้ทราบแบบคำพูดสามัญว่าองค์ประกอบฝ่ายบิดากับองค์ประกอบฝ่ายมารดามาผนวกเข้ากันไม่ได้บอกชัดเจนแบบวิชาการคงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาวิเคราะห์กันอีกที